อยานี้ต้องให้ท่านมาอำนาจบรรยายไว้ในภาพนี้เหมาะกับพระมหาอำนาจใช่ไหมคะภาพนี้เพื่อจะได้ตอบถามได้ยังถามก่อนว่าพิจารณาอย่างไรคอ๋อถามเรื่องการพิจารณาเรื่องการพิจารณาเจริญพรย่านจยมที่สวยๆงามๆไม่ถามนะ แต่เมื่อกี้สวยๆงามๆ ม, มาตมาก็ได้บูชาพูะเจ้าไปแล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโยมทำหรื อ, อยังท ำ, ทำแล้วนะเออ <c oughs> เราไม่ได้เป็นเจ้าของซะหน่อย <c oughs> คิดยังไงอยู่ <c oughs> เราทำมาไม่เนี่ย <c oughs> จะขูประสาทเราทำมาเองเนาะ <c oughs> สิ่งที่เราเห็นน่ะได้ด้วยบุญของเราดังนั้นสิ่งที่เห็นทั้งหมดอย่าเพิ่งให้กิเลสมันเกิด เราก็น้อมบูชาผู้เจ้าไปก่อนดักโลภะผู้รับคือใครล่ะพอผู้ท้าเจ้าโทสะเกิดขึ้นได้ไหมยโยมอ้ยถวายผู้ที่สูงสุดอะเป็นาศาสดาเอกของโลกโลภะก็ถูกกำจัดโทสะก็ถูกกำจัดทุกครั้งที่บูชาแล้วที่ผ่านไปที่ผ่านมาหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยโยมทิ้งไปเท่าไหร่แล้วนะ่ะบุญอะทิ้งไปเยอะไหม ทิ้งไปเยอะเลยเนี่ยจนเป็นอย่างภาพนี้แล้วสลดสลดไหมให้คิดตอนเนี้ยที่ผ่านมาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้อายุมากแล้วไม่เหลือเวลาแล้วนะไม่เหลือเวลาอีกแล้วถ้าเกิดไม่รีบไข้ควรไม่รีบประพฤติปฏิบัติเราจะไม่มีโอกาสนะ เห็นผลหรือยังถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะยังไม่หมดหรือยังไม่น้อยลงเห็นผลหรือยังเราเห็นผลไหมโยมถ้าโลภามากๆเป็นไงผลเป็นไงโยมโทสะมากๆผลเป็นไงโมหะมากๆผลเป็นไงรู้ยังปัจจุบันนี้ยังให้เกิดอยู่หรือเปล่ายังเกิดอยู่ไหมถีน้มิทายังมีอยู่ไหมเนี่ยให้ให้รู้ว่าอายุ หรือชีวิตของเรามันน้อยมากโยมน้อยมากถ้าในพระสูตรท่านบอกว่าเหมือนกับการขีดไม้ลงในน้ำขีดไม้ลงในน้ำน้าก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำชีวิตของเราแค่นั้นเองโยมถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขาหววเลาะเยาะเราเลยโยม เขาอยู่บนสวรรค์เขาหัวเราะโอ้โหขนาดมนุษย์มีชีวิตแค่นิดหน่อยแค่เนี้ยยังนั่งประมาทกันอยู่ได้ยังนั่งประมาทกั น, น, กนเหมือนกับน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าพอพระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมาก็เหือดแห้งไปชีวิตมนุษย์เหมือน mm hmm. เหลือแค่นั้นจริงๆดังนั้น mm hmm. ให้คิดเสมอว่า วันนี้นอนไปหลับไปพวกนี้อาจไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกดังนั้นวันนี้ต้องคข้ควรแล้วตื่นเช้ามาต้องคข้ควรแล้วจะให้มหากุศลจิตดวงไหนเกิดขึ้นต้องคข้ควรไว้ก่อนแล้วต้องสมาทานไว้ก่อนแล้ว ไม่งั้นถ้าไม่มีการวางแผนเลยอ่ะเปิดบริษัทไม่มีการวางแผนเลยเจ๊งเน่ยยงยงเจ๊งเล ย, เ ล, ยเล่นไม่วางแผนนายยงตื่นเช้าขึ้นมาก็วางแผนไว้ก่อนสิจะให้มหากุศลดืองไหนเกิดขึ้นถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆจะทําอย่างไรจะมองคุณหรือมองโทษเลือกได้ทั้งสองอย่าง แต่จะมองสิ่งไหนก็ตามให้บุญมันเกิดสิให้บุญมันเกิดเห็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งสวยงามบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่โลภะมันจะเกิดขึ้นเจอหน้าลูกเนี่ยเดี๋ยวโลภะก็เกิดเดี๋ยวโทสะ ก, ก็เกิด ทำให้ไม่น้อมบูชาผู้เจ้าไปก่อนแต่อย่าพูดเสียงดังนะโยนะเดี๋ยวลูกน้อยใจเรากําลังจะปรุงแต่งจิตไงโย่ปรุงแต่งจิตให้มันเลิศให้มันมีคุณภาพเพราะทุกขณะมันก็ดับไปหมดแล้วนี่อที่ผ่านมามันก็ดับไปหมดแล้วอะ่ะเรายังไม่ทําคุณประโยชน์เลยอะดับไปหมดแล้ว เสียหายหรื อ, อยังโยมไอที่ดับไปเนี่ยเสียหายไปหมดแล้วดังนั้นปัจจุบันนี้ก็เอาเลยพอให้ทุกครั้งก็เป็นบุญอะป้องกันกิเลสให้บ้านไปให้รถไปบูชาพูะเจ้าให้สา ม, มีไปให้ภรรยาไป เสียดายอีกเช่มวโยมเสียดายพี่อีกอา้าวููผลมันสิโยมให้ลูกเป็นทานเนี่ยให้ลูกเป็นพุทธบูชาเนี่ยมีผลก็คือต่อไปในอนาคตเราจะออกจากความเป็นบุตร หรือเราจะสละบุตรได้ในชาติที่เป็นพระอริยนะให้ภรรยาเป็นทานจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวงนะพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนั้นอย่างเราเราจะได้เป็นใหญ่แห่งสัตว์ทั้งปวงแล้ว ทุกอย่างจะมีเสียงมาเลยเมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐพภาพมีธรรมารมให้สีเป็นทานสําเร็จรัศมีให้เสียงเป็นทานสําเร็จเป็นสุรเสียงเพียงดังพรมให้ของหอมเป็นทานเพื่อสําเร็จศีลหอมฟุ้งไปทั้งทวนลมและตามลมถ้าเป็นผู้มีศีลแล้วเยอะแยะอีกมากมายเลย ความไม่บวชเดือดร้อนเกิดขึ้นปสัสทานเกิดขึ้นความสุขสมาธิยถาภูตยานศสสนะดูนีเกิดจากทานทั้งนั้นเลยถ้าทานไม่แข็งแรงจะไปเจริญอะไรได้ศีลก็เจริญไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงวิปัสสนาถ้าเรามองข้ามอย่างนี้โอ้โหสิ่งเยอะแยะมากมายเลยในห้องนี้ เจตนาที่เป็นมหากุศลเกิดขึ้นเยอะไหมครับผน้อมบูชาพระเจ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยในห้องนี้นะยังไม่พูดถึงสถานการณ์อื่นเลยเฉพาะในห้องนี้มหากุศลที่เป็นเจตนาที่เป็นกุศลบางคนก็กำลังให้ทานอยู่บางคนก็รักษาศีลอยู่บางคนเจริญภาวนาอยู่ทุกอย่างเป็นมหากุศลหมดก็บูชาพระพุทธเจ้ารวมทั้ง ของเราก็บูชาพระเจ้าเจตนาเป็นปรมัติยหรื อ, อย่างโยมเป็นอย่างนี้เราก็ไม่หลงแล้วรูปเราก็ไม่หลงบัญญัติเราก็ไม่หลงเจตนาที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นนามเราก็ไม่หลงทั้งรูปทั้งนามเรารู้หมดเลยแล้วรู้ด้วยควรทํำยังไงควรให้มันเจริญขึ้นยังไงอย่างนี้ก็ไม่เป็น คนแก่ที่ไร้ประโยชน์แล้วเนาะ